แนะนำบทอัลมาอริจบทอัลมาอริจเป็นบทมักกียะห์มี 44 องค์การบทนี้เริ่มกล่าวถึงความเกลียดกราดของชาวมักกะห์ความหยิ่งยโสต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยการไม่เชื่อฟังแสดงอาการเย้ยหยันต่อการตักเตือนและการลงโทษที่พวกเขาพึงจะได้รับกล่าวถึงความกำเริบเสิบสานของพวกเขาคือการที่อนัด อิบนุลฮาริซหัวโจรคนหนึ่งของพวกเขาขอให้การลงโทษจงประสบแก่เขาและหมู่ชนของเขาเพื่อที่พวกเขาจะได้ลิ้มรสการลงโทษในโลกนี้ก่อนที่ปรโลกจะมาถึงทั้งนี้ก็เพราะความหยิ่งยโสในการดื้อรั้นนั่นเองบทนี้ได้กล่าวถึงสภาพของบรรดาผู้ประพฤติชั่วที่จะรับในวันที่น่ากลัวคือวันกิยามะซึ่งท้องฟ้าจะแตกกระจายและบรรดาภูเขาจะปลิวว่อน มีสภาพคล้ายผลสัตว์สีต่างๆต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงธรรมชาติของมนุษย์ว่าเป็นคนกัดกลุ่มรุ่มร้อนเมื่อประสบกับความทุกข์ยากไม่พอใจเมื่อได้รับความดีพวกเขาจึงหวงแหน่สิทธิของคนยากจนบทนี้ได้กล่าวถึงบรรดามุมินผู้ศรัทธาและคุณลักษณะอันเด่นชัดที่บ่งชี้ถึงการมีมรรยาทอันประเสริฐ ได้ได้บอกกล่าวถึงสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงจัดเตรียมการตอบแทนอันยิ่งใหญ่ไว้ให้แก่พวกเขาในสวนสวรรค์อันสุขสําราญบทนี้ได้จบลงด้วยการสาบานต่อพระเจ้าแห่ง 3 กอละโลกว่าการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนนั้นเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยและว่าอัลเลาะห์นั้นทรงอานุภาพที่จะสร้างสิ่งที่ดีกว่าพวกเขาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอซาลาซาอิลุบิอาดามวากิอมีคนหนึ่งได้ขอการลงโทษที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนลิลกาฟิรีนไลซะละฮูดาฟิอสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นไม่มีผู้ปกป้องใดๆให้พ้นจากการลงโทษไปได้มีนัลลอฮิลลิมอาอรีจา การลงโทษนั้นมาจากอัลเลาะห์ผู้เป็นเจ้าของทางขึ้นสูงจะอรุจุลมาลาอิกะฮ์วัรรูห์อิลัยฮิฟิยอมมินกานะนิกดารุ 50000 سنه มลาอิกะฮ์และอรวะห์จะขึ้นไปหาพระองค์ในวันหนึ่งซึ่งกำหนดของมันเท่ากับ 50000 ปีของโลกนี้ตัสบิดซอบรันญะมีลา ดังนั้นเจ้าจงอดทนด้วยความอดทนที่ดีงามเถิดอินนะฮุมยะเราะนูฮูบะอีดะแท้จริงพวกเขามุชริกีนมองเห็นการลงโทษว่าเป็นเรื่องห่างไกลวะนะเราะฮูก็รีบะแต่ว่าเราเห็นมันการลงโทษนั้นเป็นเรื่องใกล้เยาวมะตะกูนุสซะมาอ์กัลมุฮ์วันที่ท้องฟ้าจะเป็นเช่นทองแดงที่หลอมละลายวะจะกูนุลญิบาลุกัลอฮ์และบรรดาภูเขาเป็น เช่นขนสัตว์ที่ปลิวว่อน ولا يسأل حميم حميما لم يستحى จะไม่ถามถึงกันอยู่ بصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنين ถึงแม้ว่าพวกเขาจะประสานสายตาซึ่งกันและกันก็ตามผู้ประพฤติชั่วก็ใคร่ที่จะไถ่ตนให้พ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์ในวันนั้นด้วยบุตรหลานของเขา وصاحبته واخيه لادวยปัญญาของเขาและด้วยพี่น้องของเขา وفصيلته التي تؤويه และด้วยญาติพี่น้องของเขาซึ่งได้ให้ที่พักอาศัยแก่เขา ومن في الارض جميعا ثم ينجيه และด้วยผู้ที่อยู่ในแผ่นดินทั้งมวล เพื่อที่จะให้เขารอดพ้นจากการลงโทษคัลลันอินนะฮาละดาไม่เลยแท้จริงมันเป็นไฟนรกที่ลุกโชนนซาอะตะลิชวาหนังศีรษะจะถูกลอกออกเพราะความร้อนของไฟนรกซะดูอูมันจะเรียกผู้ที่ผิดหลังละหันเหออกจากความจริงวะญะมะกะเอาวาและเสสมทรัพย์สิน ละปิดบังไว้อินนัลอินซานะคอลิกะฮะลูอาถ้าจริงมนุษย์นั้นถูกบังเกิดมาเป็นคนหวั่นไหวอีซะมะซซะฮุลชัฎฎูจะซูอาเมื่อความทุกข์ยากประสบแก่เขาก็ตีโพยตีพายกลับกลุ่มวะอิซะมะซซะฮุลค็อยรุมะนูอาและเมื่อคุณงามความดีประสบแก่เขาเขาก็หวงแหนอิลัลมุศ็อลลีน นอกจากบรรดาผู้กระทำละหมาดอัลลซีนะฮุมอะลาศอลาติฮิมดาอิมุนบรรดาผู้ที่มั่นในการทำละหมาด <plosium> ສໍາລັບຜູ້ທີ່เอ่ยขอແລະຜູ້ไม่เอ่ยขอອົນລະຊີນຍໍສັດດິກູນບິຢໍມິດດິນແລະບັນດາຜູ້ທີ່ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ວັນແຫ່ງການຕອບແທນຄືວັນກຽມາອົນລະຊີນຫຸມມິນອະຊາບຣັບບິຫຸມມຸຊຟິກູນແລະບັນດາຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫວາດຫວັນຕໍ່ການລົງໂທດແຫ່ງພະຜູ້ອະພິບານຂອງພວກເຂົາອິນນອະຊາບຣັບບິຫຸມໄກຣມມໍ ถ้าจริงการลงโทษแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเขาไม่เป็นที่ปลอดภัยอัลลดีนละฮุมลิฟูรุจิฮิมฮาฟิซูนและบรรดาผู้ที่ระวังรักษาทวารของพวกเขาอิลาอะซวาจิฮิมเอามามัลกะตอัยมานุมฟะอินนะฮุมไฆรุมะลูมีนนอกจากแก่คู่ครองของเขา หรือที่มือขวาของพวกเขาครอบครองในลักษณะเช่นนั้นพวกเขาจะไม่เป็นผู้ที่ถูกตำหนิดังนั้นผู้ใดล่วงละเมิดนอกเหนือไปจากนั้นชนเหล่านั้นคือผู้ละเมิดอัลลซีนะฮุมลิอามานาติฮิมวะอะห์ดิฮิมราอู และบรรดาผู้ที่ระวังรักษาสิ่งที่ได้รับมอบหมายอามะนะห์ของพวกเขาและคํามั่นสัญญาของพวกเขาอัลลอซีนะฮุมบิชะฮาดาติฮิมกออิมูนและบรรดาผู้ที่ดํารงมั่นต่อการเป็นพยานของพวกเขาอัลลอซีนะฮุมอะลาศอลาติฮิมยูฮาฟิซูน และบรรดาผู้ดํารงรักษาการละหมาดของพวกเขาอูล่าอินกาฟีจันนาตมุกรอมทชนเหล่านั้นจะอยู่ในสวนสวรรค์อันหลากหลายโดยเป็นผู้ได้รับเกียรติฟามาลิลลดีนกะฟะรุกิบละกะมุฏฏะอีนมีอะไรเกิดขึ้นกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา ที่วิ่งกระหึกกระฮอบมายังเจ้ามุฮัมมัดอานิลยามีนิวะอันิชชิมาลอะซีนพวกเขานั่งเป็นกลุ่มๆทั้งขวาหรือทางซ้ายของเจ้าเออยาตะมาอุลุมริอิมมินฮุมอันยุดคอลจันนะตะนะอิมแต่ละคนในหมู่พวกเขาต่างก็อยากจะเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์อันสุขสําราญกระนั้นหรือคัลลาอินนาคอละกูนาฮุมมิน ما يعلمون ما يله แท้จริงเราได้สร้างพวกเค้าจากสิ่งที่พวกเค้ารู้กันดี Sala uqsimu bi rabbil mashariqi wal maghribi inna laqadirun ข้าขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลแห่งบรรดาทิศตะวันออกและบรรดาทิศตะวันตกว่า ถ้าจริงเราอัลเลาะห์เป็นผู้เดชานุภาพอย่างแน่นอนอัลลอฮจะเปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่าพวกเขาและเราจะไม่เป็นผู้หมดความสามารถแต่พวกเขาเล่นและเล่นจนถึงวันที่พวกเขาถูกสัญญา ดังนั้นเจ้าจงปล่อยพวกเขาให้มั่วสุมและหลงระเริงจนกว่าพวกเขาจะได้พบกับวันกิยามะห์ซึ่งพวกเขาถูกสัญญาไว้ยามายัครูจูนมินัลอัจดาฟสิราอันกานนะฮุมอิลานุซบิยูฏิดุนวันที่พวกเขาจะออกมาจากหลุมฝังศพอย่าง รีบเร่งคล้ายกับพวกเขาวิ่งกลูไปยังจเวรของพวกเขากาศิอะตันอบซารุมตัรฮะกุมดิลละนั่นคือวันที่พวกเขาถูกสัญญาไว้